พระธรรมตามพระใยปีดกครั้งที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดโผล่ขึ้นมาแปดศอกว่าไม่กระเทือนด้วยลมที่พัดมาจากทานะิศทั้งสี่นะเพื่ใหม่สมาทานเท่ากับแผ่นดินก็เอาอินทขินก็ยังดิลองลองออกมาว่าขนาดทันติบารมีแล้วก็ยังไม่พอนะยังไม่พอธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้า ลำดับนั้นเมื่อเขาใคร่ควรวญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยคิดว่าธรรมะที่กระทําให้เป็นพระพุทธเจ้าให้พึงมีเพียงเท่านี้เลยเขาได้เห็นสัจจะบา ร, รมีข้อที่เจ็ดได้มีความคิดอย่างนี้ว่าดูก่อนสุมเมธบัณฑิตนับจําเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบําเพ็ญสัจจะบา ร, รมีให้เต็มเปี่ยมอย่าได้กระทําการพูดเท็จทั้งรู้ตัวอยู่ด้วยมุ่งทรัพย์เป็นต้นอย่าได้โกหกเพราะเหตุแห่งทรัพย์เป็นต้นเลยแม้เมื่ออสศนีบา จะตกลงบนกระหม่อมของท่านอย่าได้โกหกเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแม้ฟ้าจะพาก็ะชั้งจะไม่ยอมมูสาวาดเด็ดขาดเหมือนอย่างว่าธรรมดาดาวประกายพลึกในทุกฤดูหาเว้นทางโครจรของตนไม่จะไม่โครจรไปในทางอื่นโครจรไปเฉพาะทางของตนเท่านั้นฉันใดแม้ท่านไม่ละสักจะไม่กระทําการ พูดเท็จเด็ดขาดจากเป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนี้เขาได้อธิษฐานสัจจะบารมีข้อที่จะกระทําให้มั่นคงเขาบอกว่าคําพูดของท่านเนี่ยนะท่านฝึกก่อนใช่ไหมพระพุทธเจ้านี่มีคําพูดอย่างใดเป็นอย่างนั้นพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะท่านฝึกใช้คําพูดที่จริงแท้มาเสียสงไข้อ่ะกว่าจะมาพูดพุทธพจน์ที่สัจจะจริงแท้ได้อ่ะฝึกพูดจริงๆเนี่ยฝึกพูดความจริงมาเนี่ยนะมาเสียสงไขยกว่าแล้ว จึงมาพูดเป็นพระไตรปิฎกให้เราฟังได้แล้วคําสอนในพระไตรปิฎกจึงเป็นของที่จริงที่แท้ถ้าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอื่นแน่นอนเกิได้ยินนะว่าคําพูดของพระพุทธเจ้าแน่นอนขนาดไหนธรรมดาถ้าเช้าขึ้นมาดวงอาทิตย์ต้องขึ้นแน่นอนฉันใดบ้างกันคนถ้าโยนของขึ้นบนนะ่ะนะยังไงต้องตกลงมาแน่นอนเลยอีกอย่างหนึ่งก็บอกผู้หญิงที่มีคันแก่กล้าได้เวลาต้องคลอดแน่นอนชันใดบ้างกันวาจาพระพุทธเจ้าชันนั้น หรือสัตว์เกิดมาเนี่ยมีใครไม่ตายบ้างความตายแน่นอนของสัตว์ฉั้นใดพระพุทธพจน์หรือวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็เที่ยงแท้แน่นอนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกใช้คำมาเสียสงไข่แสนกลับมาแล้วว่าถ้าพูดคาใดต้องเป็นคํานั้นสมาทานพูดตามนั้นทำตามนั้นหมดไม่เห็นแก่อย่างอื่นทั้งนั้น่ะพูดแต่ความจริงอย่างเดียวไม่ทราบวาสจะนี่จะกว้างไปถึงขั้นไหนครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกับคําพูดก็มี ตรงนี้เนี่ยนะคือสัจจะจริงๆมีหลายอย่างหนึง่งวาจาสัพวิรติสัจจะสัจจะมีมีหลายอย่างนะแต่ว่าสัจจะตรงนี้เน้นว่าจีสัจจะเน้นการไม่พูดเท็จเน้นการพูดความจริงกล้าพูดความจริงในสิ่งนั้นๆออกไปสมมุติว่าพูดว่าจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะท่านจะทําอย่างนั้นเลยยกตัวอย่างในชาติหลายๆชาติเนี่ยนะพูดความจริงว่าถ้าเราไปทํากิจอันนี้เสร็จนะเราจะมาให้ท่านข่าก็ออกไปไปทํากิจนั้นๆเสร็จก็กลับมาให้ค่าได้ ก็คือท่านพูดจริงลักษณะนั้นนะนะคือในการใช้คํานั่นเองว่าคําพูดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคําใดเป็นคํานั้นคําใดเป็นคํานั้นเลยก็าบางครั้งเราก็พูดกับตัวเองนะว่าจะสมมุติว่าเราตั้งใจให้คำมั่นสัญญาตัวเองว่าเราจะศึกษาสมมติเราจะอ่านคัมภีร์อะไรเงี้ยนะนบางทีเราก็ไม่มีสัจจะกับตัวเองอะบางทีก็ไม่ค่อยทําตามที่คิดไว้ผมยังนึกว่าเอ๊่นี่มันเป็นสัจจะหรือเปล่าเราต้องดูว่านะ ท่านเรียงบารมีมาเนี่ยนะท่านเรียงปัญญาวิริยะขันติและจึงมาเรียงสัจจะทีหลังเพราะฉะนั้นสัจจะของท่านเนี่ยวางด้วยอำนาจของปัญญาแล้วว่าวางแล้วเป็นไปได้ไหมไม่ใช่ท่านวางสัจจะเนี่ยนะตั้งใจไว้ทั่วไปหมดเลยไม่ใช่มองความเป็นไปได้ก่อนวินิจฉัยได้หมดแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แน่นอนเป็นอื่นไม่ได้มันมีอยู่ทางเดียวอะ่ะเขามองแล้วว่ามันไม่มีทางอื่นอะ่ะจึงดิ่งลงไปว่าทางนี้เท่านั้นก็เป็นลักษณะนี้ แล้วก็พูดคํานั้นออกไปก็คือได้รับการใคร่ครวนมาเป็นอย่างดีแล้ววินิจฉัยอย่างสุขุมรอบครอบแล้วจึงกล้า ว, วางสัจจะ อ, อันนั้นออกไปว่าจะต้องทําอย่างนี้แน่นอนเขาจึงกล้าพูดออกไปแต่อย่างที่เราตั้งใจนี้ไม่เรียกว่าสัจจะนะเป็นการอธิฐานที่เราตั้งใจว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะของอธิษฐานตั้งให้เกิดขึ้นในใจปัญญามันอยู่ชั้นต้ น, ต น, ตนๆเนี่ยนะถ้าความเข้าใจในเรื่องนั้นไม่เพียงพอเนี่ยถึงตั้งยังไงก็ตั้งไม่สําเร็จแน่นอน อยู่ๆจะเอาของบางอย่างเนี่ยกลมๆเคลี้ยงๆไปตั้งในที่เอียงๆไม่มีอะไรรองเลยอย่างเงี้ยอย่างเงมันก็ล้มแน่นอนจะตั้งให้มันตั้งยังไงก็ตั้งไม่อยู่เชื่อเขาบอกว่าดอกกระทุ่มบนศีรษะคนผมน้อยมังนงั้นเถอะฟักแฟงบนหลังมาเนี่ยอย่างไงียก็ตั้งไม่อยู่มันงั้นนั้นจะต้องดูเหตุดูปัจจัยความเหมาะสมให้เพียงพอซะก่อนมังนงั้นก่อนที่จะตั้งอะไรลงไปเพราะฉะนั้นท่านก็ กล่าวที่พุทธพจน์ตัดว่าความจริงพุทธธรรมเหล่านี้จักไม่มีอยู่เพียงเท่านี้เราจักเลือกเฟ้นธรรมะแม้เราอื่นที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณคราวนั้นเราเมื่อเลือกเฟ้นอยู่ก็ได้เห็นสัจจะบา ร, รมีข้อที่เจ็ดที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่แต่เก่าก่อนทั้งหลายถือปฏิบัติเป็นประจำกันมาท่านจงยึดสัจจะบา ร, รมีข้อที่เจ็นี้กระทาให้มั่นก่อนมีคําพูดไม่เป็นสองในข้อนั้นจักบรรลุสัมโพธิญาณได้ ธรรมดาว่าดาวประกายพฤกนั้นเป็นคันชั่งที่เที่ยงตรงในโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่โคโจรแวเวียนไปนอกทางไม่ว่าจะในสมัยหรือในฤดูและปีใดฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันอย่าเดินเฉไปจากทางในสัจจะทั้งหลายถึงความเป็นสัจจะบารมีแล้วจักบรรลุสมโภทิยานเขาบอกว่าไอดาวประกายพฤกเนี่ยดาวเดียวกันหรือเปล่าที่ก่อนสว่างมันจะขึ้นนะ ดาวอันนี้ถ้าได้เวลาก็จะขึ้นดาวนี้ได้เวลาจะขึ้นแล้วขึ้นในทิศเดียวด้วยไม่เปลี่ยนทิศขึ้นาจะขึ้นในทิศเดียวอย่างเนี้วาจาสัตว์ของท่านจะต้องเป็นไปตามนั้นไม่เนี่ยนะมันตั้งไข่ล้มต้มใครกินเหมือนกันทุกคนนั่นแหละเชื่อครับแต่เขาฝึกอ่ะถ้ามีมีบารมีอื่นๆเข้ามานะวาจานั้นจะกลายเป็นวาจาสัตว์ไปได้ฝึกใช้วาจาอย่างนี้ไปเรื่อยไปด้วยเพราะฉะคนที่ฝึกใช้สัมมาวาจานะชั้นต้นเลยเว้นจากเพิร์เจอร์ก่อน ฝึกเว้นจากพวกเพอเจอก่อนเว้นจากพวกสัมผัสปลาปะพวกพฤทสวาจาหัดฝึกไม่ใช้คําหยาบฝึกไม่ใช้คําพูดส่อเสียดให้เขาแตกราวแตกรานกันฝึกพูดคําพูดที่มีสาระมากขึ้นไม่ใช่โอ้โหปกติพูดน้ําไหลไฟดับหรือคุยอะไรนะักไม่รวันๆหนึ่งคิดอะไรได้ก็พูดไปหมดเลยไม่อย่าหวังสัจจามากนักเลยท่านแรกนะถ้าจะฝึกใช้สัจจานะฝึกพูดให้มันน้อยๆหน่อ ย, อ, ย, อ, ยอันเนี้ยก่อน นะยังไม่ต้องฝึกว่าสัจจาหรอกนี่วันนี้นับคําพูดนะเราจะพูดชั่วโมงนี้เราจะพูดห้าสิบคำพออย่าเงี้ยก็ฝึกใช้ในน้อยก่อนนะนะเพื่อที่จะได้ใช้สัจจะได้ถูกตอนหลังนี่หมาเป้าหมายมันเยอะเหลือเกินเน่ยนะมันมีอยู่สิบเป้าอย่างนี้ถ้ามีอยู่สิบเป้าไม่สามารถให้มันไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หรอกจนกว่าจะมีนิฉายว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาอะไรกันเนี่แต่ไม่ไมก็ถ้าจะเอานี่ก็เป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าจะทําอะไร ส่วนวิธีการเนี่คยค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามข้อกําหนดนั้นๆไปก่อนแต่ถ้าหากว่ากําหนดหนทางแล้วว่าวิธีนี้ดีที่สุดก็ตัดวิธีอื่นออกไปใช้วิธีนี้วิธีเดียวนั้นวาจาสัตว์นั้นก็ต้องฝึกบารมีข้ออื่นๆไว้ก่อนนะฝึกเรื่องพวกวิริยะบารมีขันติบารมีอื่นๆมาก่อนเนี่ยนะทนได้ที่จะไม่พูดเพ้อเจอ้อก่อ น, น <laughs> มีขันติไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่อะไรไปก่อนเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยสัจจะบารมีก็จะมั่นเอง คือูถึงว่าถ้าจะพูดเป็นสัมมาวาจานี่นะวาจาในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่มากนะคงน้อยแน่แน่เลยครับแล้วคนที่พูดเก่งๆพูดมากๆนั่นนะ่ะวิชาวาจารง น, นั้นเลยแตอยากพูดมากไม่ยากแะท่องพระไตรปิฎกเยอะๆ เ, เดี๋ยวให้พูดเลนับวันเราคาววดจะห่างจากการสวดมนต์นี่มา มันนานแล้วก็มีชักขยายไปเรื่อยๆเห็นว่าการสวดมนต์นี่เป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยความจริงนี่นะฮะการสวดมนต์นี่นะฮะตลอดเวลาที่สวดมนต์เนี่ยจิตเป็นมหากุศลอย่างน้อยที่สุดก็จิตเป็นมหากุศลอยู่หลายนาทีทีเดียวห้านาทีสิบนาทีอันที่จริงเราควรที่จะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้นะครับผมเองผมยอมรับว่าตัวผมเองได้ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้มานานพอสมควรทีเดียวนะฮะก็ะคงไม่ต้องกล่าวว่าเพราะอะไร อันที่จริงนะครับการสวดมนต์นี่นะครับเป็นเรื่องที่คารวะเนี่ยจะทําจิตให้เป็นกุศลเนี่ยปกติก็มีเวลาทําจิตเป็นกุศลนี่ยน้อยมากอยู่แล้วนะครับแต่หาว่าถ้าเรานําสวดมนต์เข้ามาเข้ามาปฏิบัติ ด, ด้วยนี่นะฮะ mm hmm. ก็จะทําให้เรามีโอกาสมากกว่ามากกว่าผู้ที่ไม่สนใจ mm hmm. ผมไปเห็น mm hmm. ประเทศอื่นๆเขานี่ mm hmm. เขาให้ความสําคัญในเรื่องการสวดมนต์ มากกว่าเราเยอะจย่งผมไปประเทศคมร น, นี่นะฮะก่อนฟังธรรมก็ดีหลังฟังธรรมก็ดีนี่นะฮะเขาฤทอหัตเขาสวดมนต์ด้วยเสียงดังชัดเจนไม่ต้องมีหนังสือมาดูเลยสวดชัดเจนมากนะครับด้วยเสียงดังทุกแห่งหมดนะฮะน่าสร ะ, ะเสริญ น, น่าชื่นใจจริงๆริงเร็วๆนี้ถ้าว่าเราได้มีโอกาสไปประเทศคขมเมนท่านคงจะได้เห็นภาพประทับใจอันนั้นนะฮะสหรับเรื่องรับ อุโบโสถศีลหรือว่าศีลห้าวันนี้เนี่ยนะฮะผมเองก็มีมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยควรจะหวนกลับมาให้การศึกษาเรื่องศีลเนี่ยให้ให้มากๆนะฮะเพราะว่าศีลลัศดิขาก็ดีนะครับจิตตะศิขาก็ดีเนี่ยนะฮะนับวันก็จะห่างลงห่างลงโดยมากเรามักจะกระโจนไปไปนู่นเลยครับ ไปศึกษาธรรมะชั้นสูงเนี่ยไม่ว่าไปที่ไหนทุกคนเรียกร้องขอจเจริญมิปั ส, สนาเมื่อมีพระไปเทศมีพระไปแสดงธรรมก็มักจะเรียกร้องอย่างนี้ยคล้ายๆว่าชั้นนี่สมบูรณ์แล้วขอเอาไอ้ที่สุดสุดย่อนมาแสดงหน่อยเถอะถ้าพระพิสุโองคไดไปแสดงเรื่องทานเรื่องศีลดูแล้วรู้สึกว่าจะไม่ค่อยทันสมัยอะไรต่างนั้นนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะ นี่เป็นการเข้าใจผิดในลำดับคําสอนของพระพุทิภาคทรงตัดไว้เป็นลำดับทีเดียวตั้งแต่ศีลสิกขาจิตสิกขาแม้แต่ครูบาอาจารย์หลายท่านทีเดียวนะครับก็มาให้ความสนใจเรื่องศีลก็มักจะสอนเรื่องวิปัสสนาแล้วเราก็ไม่ต้องกล่าวนะครับว่าวิปัสสนานั้นเนี่ยเป็นวิปัสสนาที่ตรงตามพุทธพจน์ตรงตามพระคัมภีร์หรือไม่เรายังไม่ต้องพูดถึงอย่างนั้นโดยซ้ําไปนะครับ ผมจึงหันกลับมาสนใจเรื่องศีลเป็นพิเศษทีเดียวโดยเฉพาะตัวกับผมเองนะครับเราคิดว่าเรารู้ศีลห้าแล้วเราเนี่พอแล้วนะห้าข้อนี่โอ้โหรักษามาตลอดความจริงภาพเป็นบุคคลในสมัยพุทธกาลเขารู้ว่าเราสมัยนี้นะศีลห้าแค่นี้นะกูย์ก็หัวละตายเลยเราจะดูว่าศีลห้าแต่ละข้อนี่นะฮะไม่ฆ่าสัตว์อออืืถ้าใครฆ่าก็เรียกว่า เป็นกิเลสที่หยาบมากนะฮะหรือว่าข้อมูสาเนี่ยแค่ไม่มูสานี่นะไม่เพียงพอเลยครับเราเห็นว่าวจิต ท, ทุจริตนะมีตั้งเยอะแล้วเราทุจริตอย่างนั้นหรือเปล่าลองถามตัวเราสิจริงอยู่เราอาจจะไม่ได้พูดคําหยาบไม่เคยพฤลุสวาจาเพราะว่าเราอยู่ในสังคมอย่างนี้เราได้รับการศึกษาอย่างนี้สังคมบังคับให้เราไม่ทุจริตทางพุลุสวาจาแต่ก็ไม่แน่ว่าบางคนนี่ก็อาจจะพฤลวารากับผู้น้อย นะในบ้านก็ดีในพวกขาดถาดบริวารก็ดีนี่ก็มีนะครับแต่ถ้าลองนึกไปที่ว่าวาจีทุจริศอย่างอื่นเนี่ยเราเคยไหมนะเช่นเบื้จีตุธุริศที่เป็นปิสุนา ว, วาจานี่นะเราเคยไหมพูดที่จะให้เาแตกกันเนี่ยสนุกไหมพูดแล้วเขาไม่มีความสามาัคคีกันให้เขาแตกกันพูดแล้วเนี่ยผู้ฟังรักเรามากไหมเพื่อที่ไปพูดเรื่องไม่ดีคนอื่นอีกทีเนี่ยและผู้ฟังชอบเราใช่ไหมเราเคยอย่างนั้นไหมเพื่อเอาใจเขา พูดเพื่อเอาใจเขานะครับเพื่อที่เขาจะได้ชอบเราคุยกันสนุกก็ได้นําความไม่ดีคนอื่นมาพูดจริงบ้างเ ท, ท็จบ้างสํารวจตัวท่านดูตัวเองกัครับถ้าหากว่าเรายังมีอยู่อย่าหวังเลยเราจะไปเจริญจิตตะศิขาปัญญาศิกขาสูงสูงขึ้นไปเนี่ยเราสํารวจตัวเองดูได้นะครับโดยเฉพาะสัมผัสปราบวาจานี่นะฮะแม้ตัวกับผมเองนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องลดไปเยอะเหมือนกันครับเพราะว่า เริ่มเห็นโทษครับว่าการพูดสนุกสนุกก็ดีนะครับการพูดที่มันไม่ค่อยมีสาระก็ดีเนี่ยนะครับพระพุทภาคตรัสว่าเป็นโทษเป็นภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราถึงไตสนาคมเราเชื่อเราเชื่อพระพูมิธภาคเราเชื่อพระธรรมนะครับเราก็ไม่ควรบางคนจเจริญนิัพสนแต่ว่าโอ้โหสัมผัสปราป่าวาจานสนุกสนานไปเหนเป็นเป็นของไม่มีโทษท่นทยผมก็เกิ่นมานานแล้วก็ขอยกให้เป็น ท่านอาจารย์แสดงทำต่อไปนะครับ ว, วันอุโบสถโปสถก็คือเข้าไปรักษาเนาะเข้าไปรักษาสิกขาบทแปดประการโบสถนี้มีสามอย่างนะเคยได้ยินไนหะอุโบสถสามอย่างที่หนึ่งก็เรียกว่านิคันธาอุโบสถอุโบสถของเดรธีนอกศาสนาโบสถอย่างที่สองละโคลปาละกะอุโบสถ บทสดอย่างที่สามเรียกว่าอริยะอุโบสถหรือจะใช้คําว่าพรหมอุโบสถก็ไม่ผิดนิคันธะอุโบสถนั้นพวกเบรธีทั้งหลายเขาก็มีขอบเขตสิกษาบทของเขาซึ่งไม่ได้เหมือนในคําสอนอะไรจะไม่กล่าวถึงทีนี้ว่าศิกษาบทที่สมาทานในวันอุโบสถของพวกเราพุทธบริษัทยุคนี้มีอยู่สองอย่างด้วยกันคือโคปาละกะอุโบสถกับนิคันธาอุโบสถ โคปาลกาอุโบสถก็คื อ, อโบสถเหมือนคนเลี้ยงวัวว่างั้นโคบานเน่ยนะนายโคบานคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวเนี่ยนะคนเลี้ยงวัวมันก็คิดแต่เรื่องกินน่ะเนาะบเออวัววันนี้จะต้องไปกินหญ้าตรงนั้นไปกินน้ํานตรงนูน่นพรุ่งนี้จะต้องไปเลี้ยงตรงนู่นตรงนู่นเนี่ยน ะ, ะพวกที่รักษาอุโบสถแบบโคปาละกะอุโบสถก็เหมือนกัน อ, อวันนี้เที่ยงนี้จะต้องกินอันนั้นเย็นนี้น้ําปานะาอย่างนั้น คำคหน่อยก็ต้องมีน้ำร้อนแบบนั้นเี่ยกัเช้ามาพุ่งนี้นะจะต้องเอาอาหารแบบนั้นวันนี้เราอดมาทั้งวันเหมือนนั้นเดี๋ยวพุ่งนี้ก็ต้องไปกินเรื่องนั้นนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นประเภทโคปาละกะัอุโบสถเพราะว่ารักษาอุโบสถก็เป็นไปกับเดรัชานกถาเพอร์เจอรซะส่วนใหญ่ไม่ใช่อริยะอุโบสถอะไรส่วนอริยะอุโบสถนั้นก็คือเมื่อสมาทานอุโบสถแล้วก็ปรารบว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้น เราก็ขอจเจริญรอยประพฤติตามท่านชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งภาระหัน์ทั้งหลายงดเว้นจากอาทินนาทานงดเว้นจากการท่านประพฤติพรหมจรรย์เราก็ขอประพฤติพรหมจรรย์ตามท่านภาระหันไม่พูดเทศไม่พูดคำยาเป็นต้นเราก็ขอสมาทานประพฤติตามท่านภาระหัน์ไม่ดื่มสุราและมีรายอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพาระหันทั้งหลายท่านไม่บริโภคอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงรุ่งอรุณเราก็ไม่บริโภคตามท่าน พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีการประดับประดาตกแต่งรูปไร้าด้วยดอกไม้ของหอมไม่มีการดูหนังฟังเพลงตลกคืนเครอ่งเงีย้ยไม่มีพระอรหันต์ท่านไม่นั่งบ น, ท, นงที่นั่งที่นอนอันสูงที่นอนที่ใหญ่ที่ข้างในยัดด้วยนุ่นและสำลีหรือว่าที่นั่งที่นอนที่ข้างล่างมีรูปเป็นรูปสัตว์ร้ายก็ไม่นั่งอันเราก็ขอสมาทานอุโบโสถประพฤติตามแบบพระอรหันต์อย่างนั้นชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่เรียกว่าศิขาบทแป เข้าไปรักษาอุโบสถองแปดนี้เสร็จแล้วปล่อยการเวลาให้ล่วงไปด้วยการเจริญพุทธานุสติหลังจากที่สมาทานอุโบสถแล้วก็มาเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังขานุสติเจริญสีลานุสติจาคานุสติเทวานุสติแล้ลึคนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นอนุสติสิ่งที่ควรนึกคือยังไงเราก็คิดอยู่แล้วระลึกอยู่แล้วนะแต่มันระลึกถึงอะไร บางคนก็ระลึกถึงกรรมบางคนก็ระลึกถึงความเบียดเบียนบางคนก็ระลึกถึงความโกรธระลึกเป็นไปกับความโกรธแต่การระลึกเหล่านั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยูซมาระลึกนึกถึงคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มาระลึกนึกถึงความเป็นธรรมะที่ดีของพระธรรมไม่ได้ช่วระลึกถึงการปฏิบัติดีของพระสงฆ์ไม่ได้ หรือความที่ศีลไม่ขาดไม่ด่งไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยที่วินยูชนสรรเสริญเป็นไปเพื่อสมาธิหรือระลึกนึกถึงจาคะการเสียสละที่เคยให้เคยบริจาคหรือระลึกนึกถึงกุลของเทวดาทั้งหลายว่าเทวดาเป็นผู้ประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาอันเราก็มาระลึกนึกถึงท่านเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนุสติเป็นบุคคลที่ควรระลึกซึ่งเฉพาะ ทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยนะบางครั้งก็ตรงกับอุโบสถบ้างบางครั้งก็ไม่ตรงกับอุโบสถแต่เราก็มาศึกษาพุทธานุสติการศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราศึกษาอยู่ในแต่ละวันช่วงวันอาทิตย์ก็ยังศึกษาอยู่ในบทบทเดียวว่างั้นเถอะบทว่าตถาคตว่า ง, งั้นเอธาตถาคตโตโลเกอุปปโนรหังสัมมาสัมพุทโธที่เราเรียนไปเนี่ยนะ ยังอยู่คำเดียวคือคาว่ตาตถาคตนะนะอิทธาตถาคโตโลเกอยู่ศัพท์เดียวนั่นแหละยังไม่เด็ดไปไหนเลยก็คือตถ า, าคตนี้มีความหมายอยู่หลายนัยยะด้วยกันความหมายในที่หนึ่งก็คือพระองค์นี้เสด็จมาอย่างนั้นความหมายในยะที่สองก็คือพระองค์นั้นเสด็จไปอย่างนั้นเอาความหมายที่หนึ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ก็คือพระองค์นี้เสด็จมาอย่างนั้นเสด็จมาอย่างไรวางั้นเหมือนอย่างว่า พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเมธังกรสระนังกรนไล่มาจนถึงพระพุทธเจ้า ว, วิปสัสสีสิกีเวสภูกะกุสันทะโกนาคามณะพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะพระองค์เหล่านั้นเสด็จมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เหมือนกัน พระองค์นี้เสด็จมาเพื่อประโยชน์มาเพื่อเกื้อกูลมาเพื่อประโยชน์มาเพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันหรือว่าพระอรหันต์ตสมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนในคัมภีร์ท่านใช้คําว่าพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่หรือพระมเหิศีเจ้าว่างั้ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือสแสวงหาสีและคุณอันยิ่งใหญ่สแสวงหาสมาธิคุณอันยิ่งใหญ่สแสวงหาปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่ สแสวงหาวิมุตติคุณอันยิ่งใหญ่และก็สแสวงหาวิมุตติญาณทัศนคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นี้ทรงสเสด็จมาอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็ทรงสเสด็จมาอย่างนั้นเหมือนกันพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนเหล่านั้นท่านบำเพ็ญอภินิหารอันประกอบด้วยองค์แปประการ มีความเป็นมนุษย์พบพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นบุรุษเพศเป็นนักบวชเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเหตุเป็นผู้ที่มีอธิการเป็นผู้ที่เสียสละถึงกับถวายชีวิตเอาชีวิตบูชาพระพุทธเจ้ามีฉันทะอย่างแรงกล้าปราถนาเพื่อความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประชุมธรรมะสโมโอทารทั้งแปดประการเรียกว่าพินิหารอันประกอบไปด้วยองค์แปดแล้วก็สมโอารบารมีบารมี สิอย่างทานศีลเนกคัมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีแล้วก็ยังแบ่งประเภทเป็นบารมีชั้นธรรมดาเรียกว่าบารมีบารมีสูงยิ่งไปกว่านั้นเรียกอุปปารมีแล้วก็ชั้นสูงสุดเรียกว่าปารมัตถบารมีแล้วก็ปัญจมหาปริจาคสละบริจาควัตถุเอกหประการบริจาคทรัพย์สมบัติบริจาค อวัยวะบริจาคราชสมบัติบริจาคบุตรบริจาคภรรยาบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตปัญจมหาปริจาเคติสโฌจริยาประพฤติจริยาอีกสามประการโลกัตทจริยาสงเคราะห์โลกยาตัทถจริยาสงเคราะห์ญาติพุทธถจริยาประพฤติกิจของของความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงเสด็จบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเหล่านั้น เพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุอภิสัมโพธิยาณที่ยิ่งใหญ่ตรัสรู้อริยสัจสัมมาสัมพุทธโธตรัสรู้อริยสัจโดยถูกต้องแม่นยำและด้วยตัวเองเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเสด็จมาอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงเสด็จมาลักษณะนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนปางก่อนอย่างนั้นเพราะว่าถ้า ผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกแล้จะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นจะทําอะไรพระองค์ทรงคํานึงเสมอว่าพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนท่านทํำยังไงพระองค์จะตรวจดูก่อนนะเออพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนพอตรัสรู้แล้วพระองค์นั้นนั้ๆทํำยังไงพระองค์ไปตรัสธรมมาจากกับปวตนาสูตรที่ไหนเสด็จไปโดยเจริยาอาการใดๆพระองค์ก็จะจะประพฤติคล้ายๆกันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนเว้นไว้แต่อย่างพระองค์ตรัสรู้แล้วจะไปโปรดลูกศิษย์ ชุดแรกแสดงธรรมาจา ก, กปปาวัตนสูตรพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆบางองค์เหาะไปแต่พระองค์บอกว่าถ้าพระองค์จะเหาะไปเหมือนกันเนี่ยอุปกะชีวกก็จะเสียประโยชน์พระองค์ก็เลยไม่ประพฤติตามประเพณีอันนั้นเพราะว่าพระองค์จะไปสง่งพระอุปกะก่อนให้ได้ทักทายปราศัยกับอุปกะก่อนเดี๋ยววันหลังอุปกะแล้วก็ไปเดือดร้อนเรื่องครอบครัวเดี๋ยวก็มาบวชก็จะได้บรรลุธรรมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ เกื้อกูลแก่โลกพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆพระพุทธมาอย่างไรพระองค์ก็ทรงประพุทธเหมือนกับพระพุทธเจ้าก่อนๆนั่นแหละพันอย่างที่เรากําลังศึกษาอยู่นี้ก็คือศึกษาบทว่าตถาคตเสด็จมาอย่างนั้นมาอย่างนั้นก็คือมาด้วยพระบา ร, รมีทั้งสาสิบประการซึ่งเราก็เรียนแต่หัวข้อบา ร, รมีมาก่อนคร่าวๆ ร, ระดับหนึ่งไม่รู้ว่าเรียนจนกว่าเราจะบําเพ็ญบา ร, รมีได้นุ่นแหละ <c oughs> ก็บอกว่าให้ทานไม่เหมือนหม้อความตื่นเช้ามาก็ตักให้สักท่าพิงออย่างนี้ ความม่อไม่ได้ก็ตักทรัพีเดียวก็เอ้าเนาะถึงให้บริจาคอวัยวะไม่ได้ก็แบ่งปันข้าวของเครื่องใช้ให้ทานบัง่งบำเพ็ญบารมีติดตัวต่อไปก็ยังดีเพราะฉะนั้นบารมีที่เราได้พูดถึงไปแล้วมีหนึ่งฐานะบารมีคําว่าบารมีคืออะไรบารมีก็คือธรรมะที่ทําให้บรรลุธรรมะธรรมะที่ทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละเรียกว่าบารมีธรรมะที่เป็นคุณเครื่อง เมื่อบุคคลประพฤติตามนี้แล้วสามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจะทำนั่นแหละงั้นบารมีมีสิอย่างว่าของเรานี่กําลังกล่าวถึงช่วงของสุมเมธบัณฑิตลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิพิจารณาบารมีทั้ ง, ท, งทั้งสิบอย่างว่าเออบารมีเนี่ยเป็นอย่างไรเนะาะธรรมะที่ทําให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านี่มีอะไรบ้างท่านก็พิจารณาใช่ไหมก็เห็นว่าเออพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนปางก่อนนั้นน่ะ ท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านบำเพ็ญทานบารมีว่า ง, งั้นเถอะเป็นหนทางที่ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่ปางก่อนปางก่อนนั่นน่ะท่านให้ทานนะท่านจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงท่านก็ควรที่จะให้ทานเหมือนกันถ้าท่านปรารถนาเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยสมาทานในการให้ทานแล้วก็นึกถึงอุปมาในการให้ทานของท่านว่า หม้อน้ำที่เต็มเนี่ยนะใครผู้ใดผู้หนึ่งเอาไปคว่ำน้ำนั้นก็ไหลออกหมดไม่มีเหลือแม้แต่หยดเดียวว่างั้นฉัน้นใดเพราะฉะนั้นท่านก็จงให้ทานอย่างนั้นแหละในคนทุกชาติชั้นวันลนะใครมาก็สามารถที่จะให้ได้อย่างนั้นให้เหมือนมอบคว่มได้ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณท่านต้องให้ได้แบบนั้นน่ะถ้าให้ไม่ได้ก็บรรลุไม่ได้ว่างั้นใ จริงเนี่ยนะความตนีของเรามันเกิดขึ้นในสมบัติในโลกนี้ชเฉยแล้วที่จริงมันไม่ใช่ของใครนะของในโลกเนี่ยถามว่าข้าวของเครื่องใช้ในโลกเนี้ยมันเป็นของใครอายกตัวอย่างอย่างที่ดินแปลงหนึ่งอย่างเงี้ยสักสิบไร่เนี่ยถามว่าของใครใครถือโฉนดของโน้นแหละของใครแล้วเอาะปู่ย่าตายายปู่ของปู่ของปู่เขาว่าของเขามาทั้งนั้นแหละไอ้พื่นเดียวกันนั่นแหละถามว่ามันของใครอ่ะ มันก็ไม่มีของใครถาวรไม่มีของใครนิรันดรแน่นอนอะไรหรอกมันของสมบัติประจําโลกเขาแต่อีกคนหนึ่งมาเห็นแผ่นดินเนื้องันนั่นแหละแต่คิดจะสละได้อะทําเป็นบารมีได้อะเอาทรัพย์ภายนอกมาทําเป็นทรัพย์ภายในได้อ่ะที่เหลืออู้ยทำยังไงแล้วจะได้อย่างนี้มัึงคิดจะเอาอย่างเดียวอีกคนหนึ่งเห็นคือยังไงมันต้องสละมันต้องจากเลยู่แล้วใช่ไหมก่อนที่จะจากแบบไม่มีประโยชน์ก็เอามาทําบุญก่อนค่ะให้มันเป็นบุญซะก่อนเพราะรู้ว่า จิตเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสีเนี่ยนะแผ่นดินก็คืออะไร mm hmm. ถ้ารู้ทางตาเรียกว่าสีสีอันนั้นก็เป็นอารามณะปัจจัยของจิตใช่ไหมเป็นอารามณะปัจจัยของจิตจิตมีที่เป็นรู้แผ่นดินนั้นก็มีโลภะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีมหากุศลจิตก็มีเป็นไปกระทานศีลภาวนาก็มีเออทีนี้แทนที่จะปล่อยให้เมื่อมองเห็นแล้วเนี่ยโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิด ซึ่งมันเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งพบนี้และพบต่อไปก็มีจิตคิดจะให้อ่ะพอจริงจริงให้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นของใครนั่นแหละมันก็เป็นของโลกอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมใครจะไปขุดเอามันไปเนาะแผ่นดินนะยกตัวอย่างแผ่นดินก็จะเป็นลักษณะนั้นพระโพธิสัตว์ท่านสามารถควักดวงตาให้อ่ะเออคนไม่ให้ทานก็ผ่าตาเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็พ่าทิง้งเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่พระโพธิสัตว์ท่านควักให้เป็นทานเอา อย่างคนทั่วไปเนี่ยผ่าหัวใจเนี่ยใช่ไหมตัดตตัดไตตัดไส้ผ่าปอดเจาะเลือดพาเลือดเสียเลือดเป็นต้นเนี่ยนะไปเชียวแล้วเสียเลือดเป็นต้นพระโพธิสัตว์บอกว่าเออคนในโลกมันก็เสียอยู่แล้วล่ะแต่ท่านเอามาเสียเพื่อสร้างบารมีเอาคือยังไงมันก็หมดอยู่แล้วใช่ไหมอย่างสมมติว่าเออคนทั่วไปเนี่ยแทนที่จะเอาแก้แหวนเงินทองไปเที่ยวไปกินไปเล่นมันไม่ได้เกิดประโยชน์ก็เอามาให้ทานแทนทีจริงมันก็เสียเท่ากันนั่นแหละ สมมติว่าให้ทานกลับไปเที่ยวนะเสียสตังเท่ากันหรป่าก็เสียเท่ากันนั่นแหละแต่การเสียบางอย่างไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตในโลกนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตในโลกหน้าไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตในโลกอย่างยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเสียอยู่แล้วแต่เสียทําอะไรใช่ไหมเสียอยู่แล้วก็เหมือนกับเรานั่งคิดอยู่แล้วเนี่ยคิดอะไรก็มาคิดเรื่องที่มันเป็นสาระคิดปล่อยจิตปล่อยใจเป็นไปกับคำํำสอน ให้จิตใจของเราเนี่ยได้รับคุณค่ามีประโยชน์เต็มที่ทํำยังไงที่จะเป็นอย่างนั้นดงั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเข้าใจเงื่อนไขกติกาเหล่านี้เป็นอย่างดีท่านจึงสมาทานที่จะประพฤติว่าเมื่อท่านไปเกี่ยวข้องกับอา ร, รมณปัจจัยทุกอา ร, รมณปัจจัยท่านต้องสแสวงหากุศลจากสิ่งนั้น น, นให้ได้สแสวงหาประโยชน์จากอารมณ์ทุกๆอารมณ์ให้ได้อะไรมั่งที่เป็นอารมณ์ของท่านเนี่ยนะที่คนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วโลภะเกิด